มายังคนต้องเยอะแเสียงไม่ค่อยดังวะฮะต้องเยอะแยะทไมเสียงไม่ค่อยดังะไม่หอเาดังคนเดียวก่นี่เหรอเอาดังคนเดียวเลย ดังงอาไม่ไม่ว่าดังๆเฮ้ยน้อยไม่ไม่สวดว่าดังๆหรอ กี่ก็แวะไปกาลอกปุรีแวะไปกาลนงปุรีเช็ดอยู่พราะพนันแหละเช้มันเช็ดคันด้วยนะไม่ใช่ดนีเฉยๆคันด้วยและและึกเนี่ยเนียตั้งแต่หัวเขาาของพนลงมาถึงถึงเนี่ยถึงคอ ข้อเท้าเนี่ยตั้งแต่หัวเขามาถึงข้อเท้าเนี่ยเป็นตุมๆตุมๆตุมๆตุ่มๆตุมๆตุมเห ม, ม, ม, ม, มือนเม็ดสิวอะ่ะที่ยิบเลยรูปูปจนรูปจนแข็งหมดลูปเช็ดนแข็งหมดเมื่อคืนนู่นหลังเที่ยงคืนะถึงได้ถึงได้พักผ่อนสบาย นันเดี๋วผมกำบังใเช็นะเช่นะน้นนมันอะไรนะันออกมามันออกมาตามนี้แต่มาเข้าตาเข้าอะไรก็แสบเช็ดแถวนี้แถวนี้ก็เช็ดไม่ค่อยออ ก, กเอาอันมาช่วยขูด เอาไว้แปลงอะไรนี่งมาช่วยขู่ไม่ใช่มันออกเฉยๆนะต้องใช้จะขันด้วยขันด้วย ก, กรรมอะไรนิดหนว่งว่ะ ก, ก ร, รม ก, กรรมัมยุแปดสิบสี่แล้วมั้งเอ้ยเก้าสิ อายุ94ปีนี้เข้า95ตัวน่าเกียดเข้า95แล้วเนี่ยเดี๋ยวกัญญาเข้า95 95 96 97 98 เปิดดูคำแปลนะแล้วก็สนใจเอามาปฏิบัตินั่ภาวนาเนี่แหละให้ใจสงบหลังจากสงบแล้วก็พยายามสังเกตดูจิตของเราเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เราก็สวดบทเวทนาบทจิตแล้วก็บทนิวรณนิวรณธรรมห้าที่า เวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาสุขลงมาที่หัวข้อขอ้มาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนาก็คือเกณฑ์แห่งการรับทราบ รับทราบอย่างหนึ่งจิตแสดงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์แสดงกิริยารับทราบอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ให้เกิดเฉยเฉยทุกข์เข้ามาสุขหมายกว่าว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขแต่พ้นเข้ามานี่ก่อนใครเข้ามาพ้นเข้ามานี่ก่อนใครเข้ามา ถ้าเป็นมอนะเข้ามานี่ก่อนไปร่วมสวดอภิธรรมที่วัดโพนไปร่วมสวดอภิธรรมไปร่วมสวดอภิธรรมที่วัดโพนทำบุญวิ่งทำบุญ ที่นนที่นี่น้ำท่วมที่นนที่นี่วิ่ทงทบุญจนเป็นไข้เป็นหวัดจะเป็นจะตายไปสนใจแต่เขาเจ้าของเป็นไข้เป็นหวัดเดก็บใครได้ป่วยตั้งใจทำตั้งใจหายใจเป็นบุญจริง จะขึ้นมานี่ก่อนไหมขึ้นมามขึ้นมาไหม อ่อเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยวันนี้หลายเจ้าภาพหลายเจ้าภาพแ<อ> <9. S 2> ล้วเก้าเจ้าภาพวันนั้นเราไปเท่าไหร่วันนั้นเราไป 6. 6หกหกเจ้าภาพนี่หน่วยนั้นหน่วยนี้เจ้าภาพตัสวดทุกวันวันละวันละเกินหนึ่งดูแต่ ว, วันนั้นเราไปเนี่ย ตั้งหกวันนี้ตั้งเก้าเก้าจะภาพไม่รู้กำหนดทำบุญเมื่อไหร่วันไหนไม่รู้เผาเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ทราบกำหนดการเผาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รน่กาก็ร้อยห้าปี หลวูวัดโพนก็ร้อยห้าปีอายุเกินหนึ่งร้อยห้าเกินหนึ่งร้อยไปอีกห้าปีหนึ่งร้อยห้าปีแถวนี้ก็มีเพิ่นอายุมากอยู่ครองขันทัดขันนาน มาเทียบกับพวกเราแถวนี้ก็เพิ่นเนี่ยเป็นผู้อายุมากครูบาอาจารย์เราแถวนี้รักตันโย ร, ร, รู้ราตรีรู้ราตรียาวร่วงคืนนานอยุมากด้วยอยู่ในสมณะเพศตลอดมาด้วยวัอนคืนลงไปก็สร้างแต่คุณงามความดี มีระยะเวลาสร้างความดีได้มากคนก็ธรรมดาละแหละคนอายุมากถ้าอยู่ถ้าอยู่ทำความชั่วก็ได้มากถ้าอยู่ทำความดีก็ได้มากถ้าทำทั้งดีทั้งชั่วกับคนดีปนชั่วกันก็ได้ทั้งดีได้ทั้งชั่วแต่ถ้าไม่มีดีเลยโดยเฉพาะไม่มีศีลเลยท่านบอกว่า ให้พักตามอายุร้อยปีไม่มีศินสู้คนเกิดวันเดียวมีศินไม่ได้โถร้อยปีกับวันเดียวมาเทียบดูสิหนึ่งร้อยปีกับวันเดียวถ้าเวลามองเห็นคุณค่าของศินว่าสินนี่มีคุณค่ามากขนาดไหนคนเกิดมาตั้งร้อยปีไม่มีศินสูคน้คนเกิดวันเดียวไม่ได้ แต่ต้องหมายคาเกิดวันเดียวมีสินนะอันนี้เป็นคำอุ ป, ปมาเป็นคำเปรียบเทียบยังไงยังไงคำเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบนั่นแหละทำให้เรารู้คุณค่าเราทราบคุณค่าเป็นคำเปรียบเทียบเป็นคำอุ ป, ปมาอุปไมยแต่อยู่ในสมนเภศนี่ ก็รู้ล้ว่าเป็นเพศที่เห็นโทษเห็นภัยภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยภิกษุผู้เห็นภัยเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยเห็นภัยเหล่านี้แหละเห็นภัยเกิดแก่เจ็บตายเพราะในวัฏสงสารมันมีได้เกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีอย่างอื่น วัดตสงสารคือเวียนไหวตายเกิดต่เรียกว่าวัดตสงสารวัดตสงสารกับวัดตวันนี่มันก็เดียวกันนั่นแหละวัดตวนวัดตวันวัดตภาษาบาลีวนเป็นภาษาไทยเป็นคำไทยๆวัดตะวัน วัตถาภาษาบาลีวนเป็นภาษาไทยมันวนเป็นวงกลมวนวัตถวนกิเลสกรรมวิบากที่อาจารพูดถึงกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมทําลงไปแล้วเป็นวิบากผลรายได้เป็นของกิเลสทีนี้วิธีการของธรรมะต้องเป็นธรรมกรรมวิบาก ถึงจะมีผลออกมาเป็นธรรมะเราทราบอย่างนี้แล้วเราเลือกเอาทำเราเลือกเอาทำกรรมวิบากน์ทำกรรมวิบากก็คือมีศีลมีธรรมนี่แหละพฤติกรรมที่แสดงออกพฤติกรรมใดๆก็ให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นไปตามศีลเป็นไปนตามธรรมวิบากก็เป็นเรื่องของศีลของธรรมวิบาก ค, คือผล ผลที like, ่ปรากฏขึ yours, no <ed al> <ia> ้นคือผลที่เกิดขึ้นที่จะเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลของกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกิเลตกรรมวิบากผลเพิ่มเป็นเรื่องของกิเลเพิ่เพิ่มเพๆมเพิ่มเป็นเรื่องของกิเลตกิเลกรรมวิบากเราไม่ต้องฝึกเราไม่ต้องฝึกเราไม่ต้องฝืนทำเราไม่ต้องฝึกหากมันเป็นเอง เหมือนกระแสที่ต่ำกระแสน้ำที่ต่ำมไหลไปลงสู่ที่ต่ำน้ําไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างเดียวเพราะน้ามันเป็นของเลีเล้ยวถ้าเราต้องการให้ขึ้นที่สูงเราต้องสูบขึ้นต้องดันขึ้นเราต้องการให้จิตของเรามีธรรมะเราจะต้องผลักดันขึ้นใช้สติดันขึ้นใช้สัมผัชัญญะดันขึ้น ใช้พลังความอดความทนความภาคความเพียรดันขึ้นพยุงขึ้นประคองขึ้นยกขึ้นยกขึ้นสู่อารมณ์ธรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุโธนี่เป็นธรรมกรรมกิริยาที่เราทำนั่นท่าเรียกกรรมกรรมคือการกระทํากิริยาที่ทำนัะนท่าเรียกกรรมแต่พวกเรามัก จะจำเรื่องอดีตรกรรมบ้างอะไรบ้างโอ้ยเป็นเวียนเป็นกรรมแท้ที่จริงกรรมมัคือกิริยาแห่งการกระทําไม่แต่เราเดินเรานั่งเราหนอ น, นก็เป็นกิริยาของกรรมแต่กรรมเหล่านี้มันไม่เป็นโทษแต่ถ้ากรรมที่กิเลสพาทำกายกรรมเอาไปฆ่าสัตว์เอาไปรักทรัพย์เอาไปพระพุทธพิเนกาเกิดโทษเป็นโทษเป็นกายกรรม ทำตรงกันข้ามคือเว้นค่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในการมอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นธรรมธรรมกล ร, รมวิบากธรรมกรรมวิบากเราอยากจะอยู่เย็นเป็นสุขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะต้องอยู่ด้วยธรรมกล ร, รมวิบากทำอะไรที่ประกอบไปด้วยศีล ประกอบไปด้วยธรรมสินธรรมศินธรรมเป็นกิริยาที่แสดงออกเป็นกิริยาที่แสดงออกมาจากหลักของสัจธรรมธรรมเหล่านี้เป็นกิริยาที่แสดงออกมาจากหลักของสัจธรรมออกมาเป็น ออกมาเป็นพฤติกรรมออกมาเป็นศีลธรรมออกมาเป็นวัฒนธรรมออกเป็นส่วนประพฤติความพระพฤติเผยเผยอย่างลึกลงไปเป็นเรื่องของสัจธรรมเช่นอย่างความซื่อสัตย์สจริตเนี่ย มันก็มาเป็นกลายมาเป็นวัฒนธรรมเราเจริญด้วยกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจที่ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเจริญสืบช่วงมาจากแก่นของธรรมที่เรียกว่าสัจธรรม เป็นธรรมธรรมเหล่านี้ชี้ให้ชัดลงไปที่เรียกว่าสัจธรรมคือมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าสัจธรรมมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่คงทนอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมัน มีเดินมีน้ำมีลมมีไฟมีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างมันทรงอยู่ตามภาวะของมันเราพยายามเข้าใจจุดเล็กๆมันจะกระจายมาเป็นจุดใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สภาพอันทรงไว้ตามฐานะของมัน ตามความมีอยู่ของมันตามความเป็นอยู่ของมันเรียกว่าทำทำทำทำสภาพอันทรงไว้ตามภาวะที่มันมีตามที่ภาวะที่มันเป็นมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนพระอาทิตย์มันขึ้นอยู่อย่างนั้นพอขึ้นมาไม่ม e um. enfin ีอะไรบดบังมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นมันก็เลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกหมุน มันก็เลื่อนมาจริงๆอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพระอาทิตย์มันขึ้นแต่ที่จริงมันก็อยู่กับที่นะแต่โลกเรามันตัวหมุนหมุนไปทางไหนดวงอาทิตย์ถึงจะขึ้นหมุนไปทางตะวันออกพอเราหมุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปดวงอาทิตย์ก็ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ตกตกแล้วก็มืดอืตกแล้วก็มืด เพราะมันอยู่คลมาซีกับโลกมันบังแสงมันบังนั่นคือความเป็นอยู่ของมันความเป็นอยู่อันนี้น้อมเข้าในไตรลักษณ์คือความไม่อยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เหมือนเดิมความที่มันจะต้องเปลี่ยนไปเห็นไหมมันอยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่เท่าเดิมมันต้องเปลี่ยนไปมันหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยคือมันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไปนี่เองมันจึงไม่อยู่เท่าเดิม นอมมาใส่ที่กิริยากายของเราไม่อยู่เท่าเดิมน้อมมาใส่ที่กิริยาใจของเราไม่อยู่เท่าเดิมทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ภาวะของมันมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ความมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอันนั้นแหละตั้งใจความธรรมธรรมธรรมเราเข้าไปเห็นธรรมเราก็ไปเห็นภาวะสิ่งเหล่านี้แหละ เมือนพระยาโกรธร ญ, ญานย้อนเข้าไปเห็นธรรมท่านเห็นอนนี้อางทุกครั้งนักตาแ น, เน่เห็นธรรมไหมเห็นธรรมเห็นสภาพผิดส่งไว้โอ้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ความเป็นไปของตันหาในหัวใจของเรามันต้องการอย่างนั้นไหมมันไม่ต้องการมันต้องการให้อยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมมันไม่ต้องการให้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะย่างยิ่งมันยึดสุขมันยึดมันต้องการให้สุขอยู่อย่างนั้น เต็มก็ยุดไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปทุกมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องการไม่ต้องการให้มันให้มันมีทุกขเราไม่ต้องการให้มันมีทุกมั น, นก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราความสุขเราต้องการให้มันคงที่มันก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราแต่ความต้องการอันนี้เป็นความต้องการของตัณหาในหัวใจของเรา มันเป็นความต้องการที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่สะดวกสบายก็ไม่ว่าราว่าท่านแหละมันต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสะดวกสบายโดยเห็นที่โดยเหตุที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสะดวกสบายนี่เองจึงจะพยายามไปเกณฑ์ไปบังคับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจของตัวเองเกณฑ์สิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจของตัวเองบังคับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจตัวเอง แต่บังคับสิ่งใดมันก็บังคับไม่ได้อาศัยอำนาจใจอย่างเดียวบังคับไม่ได้เว้นแต่ผู้มีมโนโมยิฐิฤทธิเดชผู้มีฤทธิมีเดชมีคุณธรรมชั้นสูงที่อย่างพุทธานุภาพอย่างเงี้ยหรือผู้มีรูปปะสมาบัตรอรมปัสมามาบัตรสมะดำดินบินบนอย่างเงี้ยแสดงฤทธิได้แสดงปัญญาได้ พวกนีก้เป็นทธิ์พิเศษฤทิ์ทิพิเศษแปลกๆแต่ก็ทำได้เป็นการเป็นคราวทำให้เป็นอาจินทำไม่ได้เมืม่อยาพุทธยากรงทรงตรัสพระองค์เจริญทรงเจริญอิทธิบาทมาเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าตั้งความปรารถนาจะอยู่ร2อยยี่สิบปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ แต่ทําไมพระองค์อายุแค่แปดสิบพระพันษาเท่านั้นเองเป็นปดสิพระพรรษาเพราะพระองค์ไม่ฝืนไม่ฝืนหลักความจริงไม่ฝืนหลักความจริงในเมื่อมันมีอยูง่งี้มันเป็นอยู่งนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปรทางนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างพระอนุนว่าอ า, อายุร้อยี่สิบปีพระมากกสปอายุอายุร้อยสี่ยี่สิบปีอันนี้ท่านน่าจะ เจริญอิทธิบาททรงไว้ท่านจึงมีอายุอยู่ได้มีอยยืนยาวอยู่ได้ถึงร้อยี่สิบปีคําว่าร้อยยี่สิปี่นแหละเป็นกับหนึ่งคืออายุอายุคนกับอายุกลับของคนมันมีอายุของคนแล้วก็อายุของโลกนะคําว่ากลับหนึ่งกับหนึ่ ง, งมันเป็นอายุมันเป็นการเวลาที่ยืดยาว อายุกับกับปะของคนคว่าอายุร้อยยี่สิบปีถือว่ากับหนึ่งแต่ถ้าเป็นกับของโลกเนี่ยอายุนานมากโลกเริ่มเจริญเจริญเจริญเจริ ญ, เจ ร, ญเจริญเต็ ม, ตมที่ อ, อแล้วก็เสื่อมเสื่อมเสือมเสือมเองเต็มที่อโลก เจริญขึ้นเต็มที่เสริมลงเต็มที่อืมที่เรียกว่าไฟไหม้ไปหลายกันแต่ละรอบแต่ารอบแต่ละรอบของโลกโลกแตกสลายไปก่อตัวขึ้นใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นเจรินเจริญขึ้นญเจริญเจริญเจรขึ้นเต็มที่เสระมเสริมลงเสริมลงเสริมลงเสริมลงเสรมลงเต็มที่นี่คืออายุของโลกนานมากอืม อสศงไขอาศงไขคือนับไม่ได้นี่เองนับอายุของโลกที่มันเกิดขึ้นเฉื่อมลมนับไม่ได้เกิดเกิดขึ้นเสื่อมลมเกิดขึ้นเสื่ อ, อมลงอางไขเรยกว่านับไม่ได้สังขยาเปีว่าการนับอางไขนับไม่ได้สังขยาสังขยานับไม่ได้หมดจํานวนตัวเลขที่จะนับเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสร้างบรรารมีสี่อสงไขอย่นี้ แสนมหากัปแสนมหากัปแสนมหากัปไอ้คำว่ากัปนี่กัปที่เราพูดหมายถึงกัปการเกิดขึ้นของโลกการเสื่อมลงของโลกน ห, นหนึ่งรอบคือกัปหนึ่งแต่นนานกว่าอายุของคนอายุของโลกกับอายุของคนมันต่างกันนานขนาดไหนไม่รู้ กำไรแสนมหากัปที่เหลือจากอสงไข่อีกสอสงไข่แสนมหากัปโถแค่แสนมหากรัปนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แหละคือระยะเวลายาวนานของโลกนี่อันนี้คือความเป็นไปของโลกมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> คือธรรมเรามพยายามม า, ม า, มาจับจุดเล็กๆกระจายไปแล้ว ตะล่อมมาถึงข้อปฏิบัติของเราตะล่อมมาที่กิริยาความเจริญขึ้นของร่างกายของเราความเสื่อมไปของร่างกายของเราความเจริญขึ้นของใจของเราความเสื่อมไปภายในใจของเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเกิดขึ้นเพราะตรลักอันนี้ที่จะเรียกว่าตรลักษณ์ นี่คือกิริยาความเป็นธรรมเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือไปเห็นกิริยาเหล่านี้แล้วก็ใจยอมรับยอมรับเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นยอมรับเต็มที่เกถอะนั่นแหละขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหนปล่อยหมดยอมรับปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุที่ตัณหามันมาเกาะตัณหามันมาเกาะ มันมากาอด้วยอำนาจของความาพัฒนาความรุ่มหลงของตัวเองจิตพัฒนาความรุ่มหลงของตัวเองพัฒนาอย่างไรเช <c oughs> อย่างเกิดมามีรูปประทับมีนานมธรรมตาไปเห็นรูปเนียเห็นรูปดีมันก็เป็นวิสัยของมันรูปดีมันก็ยินดีรูปไม่ดีมันก็ยินร้าย นี่มันกี่กลับทั้งกี่กลับกี่การมันสะสมมายินดีก็ยึดยึดยยินร้ายก็ยึดยึดยมันก็เป็นไอจินกรรมของมันมันสะสมมาอย่างนั้นคลายมาเป็นพื้นเพมาเป็นจริตมาเป็นนิสัยของเรานี่ซื้อสิ่งที่ปนเปื้อนมาผู้ที่ออกมารู้คือธาตรู้แต่ออกมาแล้วมันกลายเป็นชินเป็นชามันเป็นการพัฒนาตัวเองปนเปื้อนมากับอำนาจของความหลง วิชาตันหาปราฐานมาครอบมาหมุนใจหลงมืออยู่อย่างนั้นนหะครอบงานมาอยู่อย่างนั้นแหละมันหากมันหากมันพัฒนาตัวของมันมาเป็นเหตุทําให้ผู้รู้ดวงนี้เศร้าหมองความเศร้าหมองท่านใช้อีกศัพท์หนึ่งก็ว่ากิเลกกิเลสเพราะว่าสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมอง เราคิดถึงต้นตอเหล่านี้อย่างนี้เรามาใช้เป็นบทพิจารณาอย่างถึงที่เกิดของเราที่อยู่ของเราที่ดับที่ไปของเรามันเกิดมันเกิดเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ามันได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัตินั่งคหนึ่งคําวนพิจารณามันเป็นการหมุนอยู่ ก, กับหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ออกนอกู่นนอกทาง นีมื่อเรามาจอออยู่ตรงนี้เราอยู่บนหนทางตรงนี้บนเส้นทางนี้เราจะเริ่มรู้ไปเรื่อยเราจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยเราจะเริ่มคล่องไปเรื่อยเหมือนอย่างเราไม่เคยคิดเราก็ย่อมไม่คล่องเป็นเรื่องธรรมดาเราคิดเรื่อยๆคิดเนืองๆคิดบ่อยๆพูดเรื่อยๆพูดเนึองๆพูดบ่อยมันย่อมมีความคล่องตัวที่ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเห็น ในเมื่อเราคิดเรื่อยๆเรพูดเรื่อยๆมันก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจสิ่งที่มันเคยรู้ไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยเข้าใจมันก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจอันนี้มันเป็นการพัฒนาไม่ใช่พัฒนาตามหลักของความรุ่มหลงอวิชชาพัฒนาอันนี้มันเป็นการพัฒนาด้วยวิชชาทําลายความรุ่มหลงทําให้เกิดแสงสว่างในใจของเรา แต่สิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่มากับกจิตเราเนี่มนใหญ่ยิ่งใหญ่มากถ้ารู้ของเรามีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมมาด้วยกันสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นคุณสมบัติของจิตสภาวะของจิตความรู้ของจิตความตื่นรู้ของจิตขณะของจิตที่มันก่อตัวรู้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงสืบทอดกันมา ในตัวมันเองมันก็ไม่คงที่เท่าเดิมมันเปลี่ยนตัวเองเป็นขณะขณะขณะขณะที่เรียกว่าขณะจิตขณะจิตขณะจิตเราลองกําหนดจดจ่อย้อนเข้าไปดูดิขณะจิตของเราแป๊บมันึกไปโน่นแป๊บนึกไปนี้แป๊บขยับไปวน่นแป๊บขยับไปนี้เราสร้างตัวที่เป็นคุณสมบัติมากํากับให้มันโรอยู่คือสติธรรมเพราะพระพุทธเจ้า ท่านจึงทรงจับหลักตัวนี้มาให้เราถือปฏิบัติจับมากำกับ ก, บกับจิตของเราเนะี่ยทำให้เราเนะี่ยปลุกกระแสสตินี่แหละให้เกิดขึ้นมาที่จิตที่ผู้รู้ของเรามันก็เกิดขึ้นจากจิตของเราเนะี่ยเกิดขึ้นด้วยอารมณ์เดียวกันตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวกันดับไปกับอารมณ์เดียวกันแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะผู้รู้เราตื่นรู้ เราลปลุกให้ตื่นนี่คือคุณสมบัติของจิตเมื่อเราปลุกตัวนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราเริ่มชำระเริ่มชักเริ่มล้างเริ่มขัดเริ่มเปล่าตัวเองแล้วเริ่มปัดเริ่มเริ่มปกเริ่มป้องสิ่งที่ชั่วร้ายที่จะมาคอยแปะเบื่อให้จิตของเราเร้าหมองมันก็ปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยนี่คือเราชักเราล้าง แต่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนมีแต่โปะมาเปะมาเปะม า, ะมาเอาแต่สิ่งที่สร้างมองปิดเข้ามาเปะเข้ามาทับเข้ามาถมเข้ามาถมเข้ามายึดเข้ามาผูกเข้ามาพันเข้ามามื่อตึ๊บมองไม่เห็นอะไรมีแต่ความอยากเต็มตัวอยากบดทั้งตัวความอยากนี้เป็นคุณสมบัติของพโพลูของเราที่มันออกไปแล้วไปยึด ใเหตุที่มันสั่สงสมบูรรมตัวเองมานานยาวนานถึงแก่ได้ ย, ยากเย็นเหลือเกินแก่ได้ยากการแก้จิดนิสัยของเราเองมันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่ในนั้นหรอกแต่หากความเลวของใจของเราเองขอผู้รู้ของเราเองดูไปให้ดีผู้รู้ของเราที่มันยังไม่ได้ชักล้างขัดเ่าฝึก ปึืหรือฝึกศึกษาหรือฝึกฝน ห, หรืออบรมอะไเนี่ยมันก็มีอยู่ยงี้มนนอนไปหนึ่งงั้นไม่ได้ช้าไม่ได้ล่าไ ม, ม่ได้ขัดไม่ได่เาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านโผล่ขึ้นมาตัดสรุปมาท่านเอาหลักอันนี้มาสอนเอาหลักอันนี้หลมาสอนที่ท่านพูดถึงวิธีที่ละเอียดที่สุดในหลักมาสีปัฏฐานนี่แหละ ยังพี่เราสวดเวทนาเราสวดจิตนี่คือวิธีวิธีการเอามากำหนดจดจ่อคอยจับ ก, กิริยาของความทุกข์ที่มันแสดงออกมาฉแสดงออกมาปกติจิตของเราไปไปเห็นนะ่ะมันมีมันมีกิริยาประกอบชอบยินดี ไม่ชอบยินร้ายเห็นสิ่งที่ดีอสิ่งที่แตกต่างกันนอหละทําให้เกิดข้อเทียบเคียงกันว่าเอ อ, อ น, นี่ดีชอบอันนี้ไม่ดีไม่ชอบอืนี่คือทําให้เกิดเกณฑ์คุณสมบัติว่าจิตสุขรักทุกชอบเป็นความสุขไม่ชอบเป็นความทุกข์ ความชอบความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นสุ ข, ขเวทนาเป็นทุก ข, ข, ขนน์เวทนาเวทนาแปลว่าจิตมันไปสวยอารมณ์จิตมันไปรับอารมณ์จิตมันไปดูดดื่มอารมณ์ท่านใช้คําว่าเวทนาเวทนาภาษาบาลีท่านว่าเวทนาเวทนาภาษาไ ท, าาทายเราคือจิตมันไปบริโภคอารมณ์มันไปรับประทานอารมณ์เหมือนั้นเถอะ มันไปรับรู้อารมณ์มันไปรับทราบอารมณ์มันไปซึมซับอารมณ์เกิดยินดีอารมณ์ที่ดีเกิดยินร้ายอารมณ์ที่ไม่ดีไอ้ยินดีเกิดยินร้ายมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพรามันเกิดขึ้นมาจากตั้งแต่กับกรารโรช่าเรามีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้มันหากสิ่งไม่ดีมันก็ถูกผลักออกนี่สิ่งดีก็ดึงเข้ามาสนใจสิ่งไม่ดีก็ถูกผลักออก มันหาหาให้เกิด mm, ข uh, mm ้อเทียบเคียงกับกันว่าเอออันนี้ดีเอออันนี้ไม่ดีเอออันนี้แข็งเอออันนี้อ่อนอันนี้ร้อนอันนี้เย็นมันเกิดข้อเทียบเคียงกันไอ้ดีกับไม่ดีเป็นเหตุให้ดีใจเสียใจมันก็เป็นเหตุกิริยาของของผู้รู้ของจิตมันมาเลือกมันมาคัดมันมาสังเป็นหากเป็นนิสัยเป็นสัญญาณขอมันมันเป็นอยู่อย่างนี้ติดมาเป็นกับกันบริชาจนเป็นระบบระบบ มากับระบบผู้รู้ของเราตัวเดียวที่นี่แหละเป็นเจ้าปัญหาของเราตัวผู้รู้ตัวเดียวนีเริ่มแรกมาเป็นวัตถุดิบพอมาถึงคราวที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาแล้วท่านมาพ า, พาชะพลาล้างล้างวัตถุดิบที่มีมาด้วยกันทุกคนนั่ะประจําหัวใจมา โนมีวิธีแก้แก้ยแกยิงนี้แกนี้แกนี้อืมมันยินดีเามันยินร้ายถ้าปล่อยมันยินดีแสดงเป็นไปตามนิสัยเดิมของมันถ้าปล่อยมันยินร้ายเาเป็นไปตามนิสัยเดิมของมันหยุดหยุดไม่ให้มันยินดีหยุดไม่ให้มันยินร้ายหยุดได้เพราะมีสิ่งที่มีคุณสมบัติติดแนบมากับจิตของเราดี คือสติธรรมคือปัญญาธรรมสามารถขัดเกลาวอบรมด้วยธรรมะข้ออื่นวิรยิยะขันติความอดความทนวิรยิยะความมุ่งมั่นอุตสาพยายามเพียรบำเพ็ญตะปะัดตบะธรรมตบะธรรมประทานธรรมประทานธรรมทั้งวรประทา น, ทะนประทาน สรุลงมาที่สังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานทําข้อใดข้อหนึ่งถึงกันหมดสังวรประทานมันก็เป็นประหารประทานมันก็เป็นภาวนาประทานมันก็เป็นอนุรักษณาประทานอยู่ในนั้นเกิดผลได้ทั้งสี่ทั้งสี่อย่างถ้ามันเกิดเกิดที่จิตดวงเดียว รักษาได้ก็รักษาได้ก็คือจิตตรงเดียวรักษาไม่ได้ก็คือจิตตรงเดียวมันก็เทือนงกันหมดเนี้เมื่อกันหมดจดจอรอับรักษาอาไว้รักษาผลเอาไว้เนี่ยภาวนาประทานอนุรักษณาประานคือตามรักษาผลในเมื่อเราทำแต่จริงดีๆให้ธรรมะเกิดขึ้นผลมันก็ย่อมเพิ่มขึ้นมาของเก่าเราก็รักษ า, าไว้ของใหม่ก็เพิ่มเข้าไปธรรมะมาจากหนึ่ง เป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่เพิ่มพูณทวีคูณไปด้วยแต่ว่าคุณสมบัติของใจนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นเหมือนเรานับหนึ่งสองสามมันเกิดขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีผลที่เกิดขึ้นที่จากที่เราทำความสุขกับความทุกขนะ์ร้อยเท่าพันทวีหัวเราะรา่าเริงอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้มีคนขัดใจปั๊บ โว้เสียใจร้องให้โหขึ้นมาทันทีเห็นไหมริดเด็ของมันมันไม่ใช่ธรรมดาเรารา่าเริงจิตปลืม้มปีติยินดีสรพัดมีคนทำให้ขัดใจปึงปังข้าได้สดสดร้อนๆตอนต่อนากันในเห็นไหมนี่ผลของความขัดใจมันไม่ใช่แค่ น, 1, น 2, นะับหนึ่งนับสองะมันร้อยเท่าพันทวีการให้ผลของกรรมก็เช่นเดียวกันร้ 100, 000, อยเท่าพันทวี ยกตัวอย่างเช่นอยากพระโมกรลานะอดีตพระโมกรลานะท่านฆ่าแม่อย่างเงี้ยท่านจะไปเสียเวลาพอห้านาทีเลยฆ่าแม่แต่ว่าผลจากความชั่วร้ายเหล่านั้นให้ผลมาห้าร้อยชาติก็ยังจะไม่หมดนะให้ผลมาเกิดชาติไหนถูกฆ่าเกิดชาติไหนถูกฆ่านี่คือการให้ผลขอ ง, ของกิเลสกับการให้ผลของธรรม มันไม่ใช่ให้ผลทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองมันหาให้ผลร้อยเท่าพันทวีความดีก็เช่นเดียวกันความดีก็เช่นเดียวกันเช่นอย่างเรากำลังเข้าใจผิดกำลังหลงผิดนะฮะกำลังเข้าใจผิดกำลังหลงผิดเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะท่านหลงผิดหลงผิดแป๊บเดียวทำชั่ว ได้โทษร้อยเท่าพันทวีฮะพอท่านมากลับใจปับ๊บอืมเพราะท่านมากลับใจปับ๊บพลิกใหม่แต่ว่าเหตุไอ้ร้อยเท่าพันทวีที่หนึ่งเนะีมันให้ผลอย่างไม่หมดอันทีน่้ให้ผลร้อยเท่าพันทวีของความดีมันกลายเป็นสองคู่แข่งสองสองสิ่งสองสิ่ง คู่แข่งสองคู่แข่งคือความดีกับความชั่วแข่งกันมาเป็นเส้นสายของไข่ของมันการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามนั้นแหละกรรมดีก็ให้ผลตามเส้นสายของกรรมดีกรรมไม่ดีให้ตามเส้นสายของกรรมไม่ ด, มเมดีเดินแข่งกันมาเมตตาชาติสุดท้ายท่านเป็นพระอรหรันตะ์แล้นนี่ยเลิศด้วยฤทธิด์ด้วยซ้ำไปกรรมอันนี้มันก็ยังตามเอาของของมันอยู่กรรมมันให้ผลอย่างไม่หมดยังตามเอาของมันอยู่ แต่มันได้แค่เศษเด่นคืออัตภาพร่างกายเป็นเศษเดินของกก่าจิตดวงนั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วทีตัวก็โดดออกไปตามไม่ทันตามไม่ทันลุดลอดไปได้ตามไม่ทันเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพยายามานเอาไม่อยู่พยายามานเอาไม่ทันไม่ได้อยู่หนึ่งนิ้อมือของพยายามานรุดหลอกออกมาจากตาขายของพยามานได้พระพุทธเจ้าของเรา เราดูจิตของเราอันหนึ่งเดียว น, นั่นเองวิจิตพิสุธ ด, ดานเพราะฉะนั้นเราสนใจเรื่องเหล่านี้มันเป็นการทำให้เราเข้าใจรู้เรื่องระดับพบระดับชาติระดับสุขระดับทุกข์ของชีวิตระดับปัญหาของชีวิตอย่างแทง้จริงแล้วก็สามารถ ย่อนลึกละเอียดไปถึงสาเหตุต้นต่อก้นบึงในหัวใจของเราแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องธรรมไปไม่ถึงผิวเผินอยู่ข้างนอกอยู่แค่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมันไม่ได้อย่างละเอียดลึกเข้าไปถึงหลักของศัพธรรมทำเหมือนกันแต่ทำผิวเผินไม่ใช่ทำลึกซึ้ง ไม่ใช่ก้อนแท่งของธรรมแต่เป็นกิริยาภายนอกของธรรมพระพุทธเจ้าท่านชิงสอนละเอียดลึกก่นไปเรามาดูหลักที่ท่านพูดไว้ในมหาสติปตฏฐานพูดถึงกายพูดถึงเวทนาถึงจิตเมื่อกี้ก็พูดถึงเวทน า, น เ, าเวท น, นามีอมามิตรเวทนาไม่มีอามิตรนะฮะสุขมีอามิตร สุขไม่มีอามิตรสุขทุกมีอามิตรทุกไม่มีอามิตรคําว่าอามิตรก็คือตามันไปกระทบรูปเกิดความยินดีนี่ท่าเรียกว่าอามิตรแต่ถ้าหยุดกิริยาเหล่านั้นหยุดกิริยาเหล่านั้นท่านว่าเป็นความสุขที่สงบระงรับดับเอง ไม่มีกิริยาไม่มีกิริยาแสดงให้ปรากฏเกิดขึ้นจากการหยุดไม่วิ่งไปตามกิริยาเหล่านั้นไม่วิ่งไปตามกิริยาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสไม่มีกิริยาวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นหาที่หยุดให้จิตให้ผู้รู้ดวงนี้โยกับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธ ในขณะที่จิตอยู่กับพุทโธมันมีความสงบมันมีความสุขของมันโดยอัตโนมัติและนี่แหละท่านว่าเป็นความสุขที่บริ ส, สุทธิ์ไม่ใช่ความสุขที่เปื้อนด้วยอามิทธ์คำว่าอามิทธก็คือสิ่งเจือปนสิ่งของอามิทธสิ่งของคือความยินดีความขึ้นร้ายความไม่ยินดีไม่ยินร้ทุกคาสุข จิตเหมือนกันจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะละเอียดหรือเข้าไปแต่เราจะพิจารณาบทไหนถึงกันหมดที่ท่านตั้งขึ้นมาเพื่อให้ถูกกับจิตนิสัยใครเลือกถูกจิตนิสัยบทใดก็ให้กันหมดดูเอาลุงตาท่านรมดูกายดูเวทนาดูจิตย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไป เราก็หมดจดจ่อแล้วเราลองทำดูทำได้เราก็หมดจดจ่อแล้วก็ลองย้อนดูย้อนได้จะทำให้เรารู้สึกตัวได้เร็วจะทำให้เราตื่นตัวได้เร็วจะทำให้เรารู้สึกตัวได้เร็วเพราะนี่เราอยู่ท่ามกลางหัวใจของมันที่มันเป็นชัยสมรภูมิที่จะทำให้ธรรมะเกิดในหัวใจของเราจะทำให้จิตเราไตื่นรู้ได้อย่างรวดเร็ว อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นเรืปฏิบัติข้างในถ้าเราโมโม่แ ต, ต่ ม, มาติดก่อนอยู่แต่ข้างนอกเราไม่ได้อย่างถึงข้างในเราดูขา้างในแล้วก็ย้อนกลับมาข้างนอกดูข้างนอกแล้วก็ย้อนเข้าไปข้างในเหมือนอย่างที่พูดนั่นแหละอัจฉัตดตังวาบะหิตทาวาเนี่ยภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกอัจฉตะบหิตทาวาเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกสมุทัยธรรมา สมุทัยยะวิยะธรรมมาเนี่ยที่สัมผัสส่วนเนี่ยดูไปดูมาเทียบไปเทียบมาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจรู้อย่างนี้แหละที่จะเรียกว่าฉลาดรู้เห็นเท่าที่มันมีมันเปลี่ยนที่จะเรียกว่ารู้เท่ามันรู้เท่าก็คือรู้ทันรู้ทันคือรู้เท่า คำว่ารู้เท่าก็คือมันมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเราค็รู้ตามที่มันมีมันเป็นที่เรียว่ารู้เท่าเมื่อเรารู้เท่ามันก็ทันทันกิเลสนั่นแหละทันตัณหาถ้าเราไม่รู้เท่าก็คือเราไม่รู้ทันเราไม่รู้ทันก็คือไม่รู้เท่ารู้เท่าตั้งรู้เท่าก็เป็นรู้ทันรู้ทันก็คือเป็นรู้เท่ารู้เท่าที่มันเป็นมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็รู้ตามที่มันเป็น เพานั้นท่านจึงใช้คำว่ารู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงมันเป็นจริงยงไงเราก็รู้ตามานี้นั้นมันกไม่ได้ไปไหนเองมันก็พันอยู่ทังนี้แหละมันก็พันหลักอยู่อย่างนี้แหละเราพันหลักอยู่อย่างนี้เราจะทําให้เราเข้าใจธรรมะข้ออัดก็ทําละเอียดลึกเหล่านี้อ่าวันนี้พอสมควรแล้วหมอก็มาก็ยังมาในพัก ไ, ได้อะไรอะจัดที่พักไว้แล้วใช่ไหม นะกุิหลังใหญ่แล้วรถอะไใ่ไหมไปแล้วรถก็เอาม า, อาจอดนี้เลยใช่ไหม อ, อ่าแล้วก็ไปเราลงไปหลังใหญ่แล้วก็ให้หมอขับไปข้างในเลยคุณหมอแล้วขับไปข้างในเลย <c oughs> อแล้วก็หมอก็ลองอยู่นี่เลยลองอยู่นี่เลยอวันนี้เรา อยู่แค่นพรุ่งนี้เกียรตใครจะไปช่วยเกียรนี่ยเอาเข้าวเปลือกประทายข้าวต้องไปเดินเอาเองเลยเราอยู่นี่เรื่องให้เขาเอามาเขาไม่เอามาดบบไปเราต้องขึ้นเอาบนยุ่งอีกเองด้วยนะแม่ เ, เกียรติได้บุญมหาศาลเนียได้บุญหลายต่อบางทีมีแต่ตาอยู่มางที่มีแต่ยายอยู่เอเอขึ้นเอาเถอะสองข้อสอบสามข้ส อ, ข อ, สอบขึ้นเอาเลย เอารถไปใส่เอาใส่เอาแต่ละปีมีคนช่วยเยอะเท่าไหร่เกียรตินะสิสิปอรัสิบสิบอนั่นแหละคนไปช่วยกี่คน่่ในวัดนนตาอบเขานี่เล่นี่เลนั่งอยู่นี่นี่แม่นบอนี่เอไป่วยกันเล่ไปช่วยลงตานึกถึงลงตาเป็น นุสติถึงหลงตาเดว้วันมรณภาพของท่านเมื่อวานเราพูดว่าหลงตามรณภาพห้าตีห้าห้าสิบสามไม่ใช่ตีสามห้าสิบสามนาทีตีสามหลงตาท่านหยุดชีพจรท่านหยุดเต้นน่น่ตีสามห้าสิบสามไม่ใช่เราพูดว่าตีห้าใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอมันไม่ใช่ทําไม่มันใกล้สว่างอันนี้มันยังไม่สว่างนีออ่แหละแล้วพวกเราก็นั่งคอยอยู่เต็มอยูอย่นั่นแหละตาองตาจนสิ้นวันที่สามสิบตีสามลงไปแล้วเที่ยงคืนลงไปแล้วเป็นวันที่สามสิบแล้วมาฏไทเขาเปลือกผลทั้งนี้ก็คือ สร้างเจดีเจดีก็ขึ้นแล้วตอนนี้แล้ววันที่สามสิบก็มีวางเข็มไปตั้งโรงทานไปอะไรอะไรเหมือนเดิมทำวัดสวนมนเหมือนเดิ ม, มนแ่แหละอืมไปช่วยดูกันหมออยู่กี่วันปุณิกับ พรุนี้ยี่สิบแปดยี่สิ้าสามไม่ได้อยู่ยี่สิบเกลับเลยไม่ได้ต่อไปไหนไม่ไม่มีกาอเขาแล้วจะเข้าไปหมู่แก้วมันมันจังแต่ไม่ได้เข้าอ๋ออ๋อมาก็มาทำบุญวัดโผล่เราจะขับไปบันตามไหม อาวนนี้เข้าบรรดาดทำอะไรก็ทำก่อนไปรวมบุญทันก่อนลุงบุรีเข้าสี่ปีแล้วบันตาศ์เพ่งจะเริ่มเมื่อกี้ไปก็ไม่ได้คุยท่านจำเราไม่ได้ดอกโมเขาต้องบอกเดี๋ยวนี้ท่านจำไม่ได้ตาท่านไม่ค่อย ตาท่านไม่เคยเห็นตาเขาเปล่าเสร็จแล้วหมู่เขาต้องเอาอะไรไมาลูบมาล้างตาเลยโรคเวรโรค ก, กรรมอะไรของเพืนน่นเก่า อ, อยู่นั่นแหละเช็อยู่นั่นมันขึ้นเป็นตุ่มเหมือนจิวนะเต็มเลยเนีย่หัวเข่าลงมาหาข้อเท้าเราก็ไปลูบหมดผ้าไปหลายชิ้นอยู่ ลูบลูบลูบจนไอ้ตุมต่มๆนะักแข็งแล้วก็ทั่วหมดเลยนะทั้งหลังเอ้ยอะไรเอ้ยนี่ยพระกขาต้องเอามือมายื่นมาถูแล้วก็น่าจะคันด้วยนะระหวานนะ่างน่ะยังก็เอาแปลงมาขูดให้พ้นขูดๆๆๆ ข, ข, ข, ขูแล้วก็แด้วถ้ามันเยอะมาถูกตาแสบร้อน กต้องเอาอะไรมาลาน้ำเกลือเช็ดมาลานี่เมันก็มีเหตุมีปัจจัยพี่มันก็เป็นไปใจไม่มีใจของใครอย่าให้ลำบากอย่างนั้นอ่ะอยาให้เป็นไปตามใจก็เป็นไม่ได้ ทําไมจะทําไม่ได้กับตีเด็กเน่ฝ่าจะเด็กร้องให้เด่แมมันร้องให้มันยอมอยู่แต่ใจมันดา่าเราพูาอย่างไหมันยอมที่ไหนยอมที่ไหนเห็นไหมใจมันยอมที่ไหนไอ้เรื่องเรื่องกายใจกับกายเป็นผลิตผลสืบเนื่องกันก็จริงอยู่ แต่พอมันเป็นรูปธรรมมาแล้วต่างคนต่างไปด้พรารูปธรรมมันมีเหตุปัจจัยของรูปธรรมแล้วมาต่อเนื่องกันแล้วหลังจากพ่อกบับแม่ประกอบกันแล้วเนี่ยมันมีรูปธรรมของไครของ ม, มันแล้วเนี่ยต่างคนต่างไปดิอไอ้ผู้รู้ตัณหาที่มีอยู่ภายในจติตส่งมาแล้วพอเกิดแล้วก็แล้วเลยดิยมาบังคับอันนี้ให้เป็นไปตามใจของตัวเองบังคับไม่ได้ <backbone. S 1> เรามาดูร่างกายของเราบังคับอะไรได้บ้าง เราบังคับได้แค่ให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้ดื่มไม่พูดให้คิดให้อะไรแค่นั้นเองบังคับไม่ให้แข็ไมห่หเจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้เอาตามความอยากของตัณหาในหัวใจไม่ได้เมือ่อยังเงี้ยเราบังคับดับดับดับับจงดับจงดั บ, ด บ, ดบมันมันไม่ใช่เหตุปัจจัยของมันมันดับไม่ได้ไปกดสวิตซ์ปั๊บนี่เหตุปัจจัยของมัน นี่อุปมาว่าสภาวะธรรมข้างในรูปธรรมไปอย่างหนึ่งนามธรรมคือจิตใจอารมณ์ภายในจิตใจไปอีอย่างหนึ่งศึกษาและดูเข้าไปดีจะทำให้เราเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆอ้าเลิอโอเค <c oughs> อยากจะไปเยี่ยมบ้านไปกับกับพาอาจารย์บ้าน ไปตอนไหนบอกลูกบอกว่าทาเมกอะไรให้มามารับจะมารับผมีอืมตกลๆดุมาลับจากวัดไปเลยรแล้วไปอยู่ยังไงไปฉันยังไงิฏิบัตยังไงที่วัด่ที่วัดรผมอ๋อไปอยู่ที่วัดะวัดปลาวัดปลาลว วัดวัดบ้านครับวัดบ้านก็นต้องดูดิข้อวัดอะไรไม่เหมือนกันก็ดูด้อต้องเอาตัวให้รอดนะครับถีอเงินไม่ถือทองชั้นมือเดียวอาหารอะไรอะต้องกะปิต้องนู้นต้องนี้กะปิยังปิกะปิกะปิกะปิไม่มีกะปิไม่มีนะ่ะอ่าเอาเลบอกบอก็ได้บอกให้เขาต้องเอาตัวรอดด้อย่ิไปไหนก็เป็นเหมือนเ้าหมดไม่ใช่ ของเดียวไปทิ้งหมดเลยดอกอืมแล้วไปคนไปคนเดียวอยากเจ้าผู้บาดต้องไปด้วยถ้าหาก็่ารถรถเขาไม่เต็มรเข้ามาไม่เต็มรถเขามาไม่เต็มครับแล้วไม่ชี่ไปด้วยไม่ไปไมีไม่ได้ไปไหนไม่ชี่ไหนไหนไม่ชี่ไหนอ๋อไม่ชี่องคพ่อนนี่บอกอ๋อลูกสาว มไม่ชี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปช่วยดูครงครัวหนึ่งครังบุ่นวายอยู่นู่อยู่นี่แต่ย่าไปเสียงดังกันแล้วกันเสียงดังไม่ดีเสียงดังก็ว่าเราตะเคาะไห้ไหมเสียงดัง <laughs> ไม่ใครชอบดอกดูเราดูใจเราไม่ชอบไหมไม่ชอบของอ่อนนี่สิ่งที่แข็งกระดังมันไม่ชอบ เพราจะจลาอ่อนนี่มันเกาะทันทีอ่ อ, อนชโลวยมันเกาะทันทีอย่าง น, นเสียงดนตรีมันจะเกาะใจคนเลยเสียงดนตรีมกล่อมทําให้ร้องไห้ได้ทําให้หัวเราะได้ทําให้คึกขนองได้เสียงดนตรีอ่ะจิตมันชอบอย่างนั้นอ่อนนีน่รู้ที่เพลงทอนี้กันแสงเปิอน้าตาหลาน้ําตาร่วงร้องไห้โฮเนะืงอ กล่อมจิตได้น้อมมโนมโนมโนเปลวไฟน้อมมโ น, มมโนมไปกับอารมณ์ <c oughs> <c oughs> ไป